ทศกัณฐ์นิบาตหนึ่งกาลุทายีเถระคาถาภาษิตของพระกาลุทายีเถระพระกาลุทายีเถระได้กล่าวคถาเหล่านี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้หมู่ไม้มีดอกและใบสีแดงดังทานเพลิงผลใบเก่าทิ้งผลิดอกออกผลหมู่ไม้เหล่านั้นสว่างสวัยดังเปลวเพลิง ข้าแต่พระมหาวีระผู้มีส่วนแห่งอัทรรถเป็นต้นเวลานี้เป็นเวลาสมควรอนุเคราะห์หมู่พระญาติหมู่ไม้มีดอกบานสะพรั่งน่ารื่อนรมใจท่งกลิ่นหอมฟุ้งตลบไปทั่วทุกทิศผลัดใบเก่าทิ้งผลิดอกออกผลข้าแต่พระองค์ผู้แกล้วกล้าถึงเวลาที่พระองค์จะเสด็จเลิกไปจากที่นี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ฤดูนี้ไม่หนาวนักไม่ร้อนนัก เป็นฤดูที่สบายเหมาะแก่การเดินทางพระประยุนระยตทั้งฝ่ายสากยะวงค์และโกริยวงค์จะได้เฝ้าพระองค์ผู้ผินพระพักไปทางทิตะวันออกซึ่งกำลังเสด็จข้ามแม่น้ำโรหินีชาวนาไทยนาก็ด้วยหวังผลหวานเพืชก็ด้วยหวังผลพวกพ่อค้าที่เที่ยวหาทรัพย์เดินเรือไปสู่สมุทรก็ด้วยหวังผลข้าพระองค์อยู่ในที่นี้ด้วยหวังอันใด ขอความหวังอันนั้นของข้าพระองค์จงสำเร็จเถิดชาวนาหว่านพืชตามฤดูกาลฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลชาวนาไถนาตามฤดูกาล ร, รัฐจึงจะได้เข้าเปลือกเป็นประจำพวกผู้ขอเที่ยวขอบ่อยๆพวกธานบดีก็ให้บ่อยๆครั้นฐานบดีให้บ่อยๆแล้วก็ไปสู่สวรรค์บ่อยๆนักปราชญ์มีปัญญากว้างขวางเกิดในสกุลใด ย่อมทำสกุลนั้นให้บริสุทธิ์สะอาดอย่างเดียวถึงเจ็ดชั่วคนข้าพระองค์เข้าใจว่าพระองค์เป็นเทพเหนือกว่าเทพย่อมทรงสามารถทำผู้อื่นให้บริสุทธิ์ได้เพราะพระองค์ทรงอุบัติโดยอริยชาติได้สัจนามว่ามุนีพระราชบิดาของพระองค์พระนามว่าสุโทโธธนะผู้แสวงคุณอันยิ่งใหญ่ส่วนพระมเหสีพระนามว่ามห า, มายาเป็นพุทธมารดา ซึ่งถนอมพระคันพระโพธิสัตว์มาแล้วเสดสวรรคตไปบันเทิงอยู่ในโลกสวรรค์ชั้นดุสิตพระนางมายาเทวีโคตมีพระองค์นั้นสวรรคตจุติจากโลกนี้เพียบพร้อมด้วยการมคุณทิพมีหมู่นางฟ้าห้อมล้อมทรงบันเทิงอยู่ด้วยกามคุณหพระกาลุทายีเถระได้ถวายพระพรพระเจ้าสุโทธทนะมหาราชว่าอาตมาภาพเป็นบุตรของพระพุทธเจ้า ผู้ที่ไม่มีใครย่ำยีได้มีพระรัศมีแผ่ซ่านจากพระวรกายไม่มีผู้ที่จะเปรียบานคงที่มหาบาพิษพระองค์เป็นบิดาของพระพุทธเจ้าผู้เป็นบิดาของอาตมาทั้งเป็นพระเจ้าปู่ของอาตมาโดยธรรม 2>, 2. เอกวิหาริยะเทระคาถาภาสิของพระเอกกวิหาริยะเทระ พระเอกวิหาริยะเทระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าถ้าไม่มีผู้อื่นอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังเราอยู่ในป่าผู้เดียวจะมีความผาสุกอย่างยิ่งเอาเถอะเราคนเดียวจะไปป่าที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่ามีแต่ความผาสุกแก่ภิกษุผู้มักอยู่ผู้เดียวมีใจเด็ดเดียวเราผู้เดียวมุ่งประโยชน์เป็นสําคัญจะรีบเข้าป่าใหญ่ที่ทําปิติให้เกิดแก่ผู้บําเพ็ญเพียน น่ารื่นรมซึ่งช้างทซั์มันอาศัยอยู่จะอาบน้ําที่ซอกภูเขาเอ็นเยือกเย็นในป่าร่มรื่นมีดอกไม้บานสะพรั่งจงกลมแต่ผู้เดียวเมื่อไรเราจะได้อยู่ป่าใหญ่ที่น่ารื่นรมแต่ผู้เดียวไม่มีเพื่อนได้สําเร็จกิจไม่มีอาสวะขอความประสงค์ของเราผู้ต้องการจะทําอย่างนั้นจงสําเร็จเถิดเราจะทําให้สําเร็จได้เอง ผู้อื่นไม่อาจาทำให้ผู้อื่นได้เลยเหล่านี้สวมเกราะคือความเพียรอยู่จะเข้าป่าใหญ่ยังไม่ถึงความสิ้นอาสวะก็จะไม่ออกจากป่าใหญ่นั้นเมื่อลมเย็นพัดเอากลิ่นดอกไม้หอมฟุ้งมาเราจะนั่งบนยอดเขาทำลายอาวิชาจากได้รับความสุขเรื่นรมด้วยวิมุติสุขที่เงื้อภูเขามีพื้นเย็นในป่าซึ่งดาราด้วยดอกโกสมแน่แท้ เรานั้นมีความดำริเต็มเปี่ยมเหมือนดวงจันทร์วันเพ็นสิ้นอาสวะทั้งปวงบัดนี้การเกิดอีกก็ไม่มี 3. ม, มหากัปปินทะเทระคาถ า, าพาสิทธิของพระมหากัปปินทะเทระพระมหากัปปินทะเถระเรียกล่าวคถาเหล่านี้ว่าผู้ใดย่อมเห็นประโยชน์ที่เกื้อกูลและไม่เกื้อกูลทั้งสองที่ยังมาไม่ถึงนั้นได้ก่อน ผู้ที่เป็นศัตรหูหรือมิตรของผู้นั้นคอยหาช่องทางอยู่ก็ย่อมไม่เห็นผู้ใดเจริญอาณาปาณสติให้บริบูรณ์ด้วยดีอบรมมาโดยลำดับตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ผู้นั้นยังโลกนี้ให้สว่างสวยัยเหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆจิตของเราผ่องแผ้วหนอได้รับการอบรมด้วยดีอย่างไม่มีประมาณเป็นจิตรู้แจ้งแทงตลอดและประคองไว้ดีแล้ว ย่อมสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศผู้มีปัญญาถึงจะสิ้นทรัพย์ก็เป็นอยู่ได้ส่วนคนมีทรัพย์แต่ไม่มีปัญญาก็เป็นอยู่ไม่ได้ปัญญาเป็นเครื่องตัดสินเรื่องที่ได้ฟังมาเป็นเหตุเจริญชื่อเสียงและความสรรเสริญนรชนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้แม้ในเวลาที่ตนตกทุกข์ก็ยังประสบสุขได้ธรรมนี้ไม่ใช่มีแต่วันนี้ ไม่น่าอัศจรรย์ทั้งมิใช่ไม่เคยมีมาในโลกที่สัตว์เกิดสัตว์ตายจะไม่เคยมีได้อย่างไรเมื่อสัตว์เกิดมาแล้วจะต้องตายต่อจากการมีชีวิตแน่แท้สัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วในโลกนี้ย่อมตายทั้งนั้นเพราะสัตว์ทั้งหลายมีความเกิดความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้การที่คนอื่นๆร้องไห้ถึงผู้ที่ตายไปเพื่อต้องการให้ผู้ที่ตายไป น, นั้นมีชีวิต ไม่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ตายไปการร้องไห้นี้นำยศมาให้ไม่ได้นำความสันเสริญมาให้ก็ไม่ได้ทั้งสมณะพราหมณ์ก็ไม่สันเสริญเลยดวงตาและร่างกายของผู้ร้องไห้ย่อมร่วงโรยผิวพรรณกำลังและความคิดก็เสื่อมพวกคนที่เป็นศัตรูของผู้ร้องไห้นั้นย่อมยินดีส่วนพวกที่เป็นมิตรของเขาก็ย่อมไม่มีความสุขไปด้วยเพราะฉะนั้นแล บุคคลพึงปราถนาะท่านผู้เป็นนักปราดและท่านผู้เป็นพหูสูตรซึ่งสามารถทํากิจของตนให้สำเร็จได้ด้วยกําลังปัญญาให้อยู่ในสกุลเหมือนคนทั้งหลายข้าแม่น้ำที่เต็มเปีมได้ด้วยเรือ 4. จุลปันทกะเถระคาถาภาษิตของพระจุลปันโกเทระพระจุลปันโกเถระเดีเกล่าวคถาเหล่านี้ว่า เมื่อก่อนเราได้มียานคติตเกิดช้าเราจึงถูกดูหมิ่นทั้งพี่ชายก็ได้ขับไล่เราว่าเจ้าจงกลับไปบ้านเดี๋ยวนี้เรานั้นถูกขับไล่แล้วยังมีความเยื่อยายในพระศาสนาอยู่จึงได้ไปยืนเสียใจใกล้ซุ้มประตูสังคารามนั้นพระผู้มีพระภาคได้เสด็จมาณที่นั้นทรงลูบศีรษะเราทรงจับแขนเราพาเข้าไปสู่สังขาราม พระศาสดาทรงอนุเคราะห์เราได้ทรงประทานผ้าเช็ดพระบาทด้วยรับสั่งว่าเธอจงอธิษฐานผ้าที่สะอาดนี้ให้มั่นคงณที่สมควรเราฟังพระดํารัสของพระองค์ยังยินดีอยู่ในพระศาสนาได้ทำสมาธิให้เกิดเพื่อบรรลุประโยชน์สูงสุดเรารู้ถึงขันธ์ที่อาศัยอยู่มาก่อนชําระที่พยจักษุให้หมดจดแล้วเราบรรลุวิชาสาม ได้ทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปัณฑถกเถระเนรมิตรตนหนึ่งพันนั่งในอัปวันที่น่ารื่นรมจนถึงเวลาเขามานิมนต์ลาดับนั้นพระศาสดาทรงใช้ทูตให้ไปบอกเวลาฉันอาหารแก่เราเมื่อทูตบอกเวลาฉันแล้วเราก็ได้ห่ะไปเฝ้าถวายบังคมพระยุคลบาทพระศาสด า, สดาแล้วนั่งณที่สมควรทีนั้น พระศาสดาทรงรับรองเราผู้ถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ปันโกเทระเป็นผู้ควรบูชาของชาวโลกทั้งมวลเป็นผู้ควรรับของที่เขานำมาบูชาเป็นเนื้อนาบุญของหมู่มนุษย์ได้รับทักษินาแล้ว 5. กัปปะเทระคถาภาษิตของพระกัปปะเทระพระศาสดาตรัสอสุภาคาถาสอนพระเจ้ากัปปะนั้นด้วยพระคถ า, าเหล่านี้ว่า ร่างกายนี้เต็มไปด้วยของโศโครกและมลทินต่างๆมีหลุมคูดใหญ่เป็นที่เกิดเป็นดุดบอ่อน้ำครําที่มีมานานเป็นดุดฝีใหญ่เป็นดุดแผลใหญ่เป็นกายเต็มไปด้วยหนองและเลือดเต็มไปด้วยหลุมคูดมีน้ำไหลออกเป็นนิดหลังของเน่าเสียออกอยู่ประจำมีเส้นเอ็นใหญ่หกสิบเส้นรัดเรึงไวมีเครื่องฉาบทาคือเนื้อฉาบทาไว มีเสื้อคือหนังหุ้มห่อไว้เป็นกายเปื่อยเน่าไม่มีประโยชน์เชื่อมต่อไว้ด้วยโครงกระดูกเกี่ยวร้อยไว้ด้วยได้คือเส้นเอ็นผัดปลี่นอิริยาบถได้เพราะมีมหาภูต ร, รูปสี่ชีวิติน4ีลมอัสาสะปัสสาสะและวิญญาณเป็นต้นเกี่ยวเนื่องกัน น, นรชนผู้มีจิตเป็นไปตามความปรารถนาดาเนินไปสู่ความตายอย่างแน่นอนอยู่ใกล้มะจุราช และทิ้งร่างกายไว้ในโลกนี้เองร่างกายที่ถูกอวิชาหุ้มห่อไว้ถูกกิเลสเครื่องร้อยรัดสี่อย่างร้อยรัดไว้เป็นกายจมลงในห้วงน้ำคือกิเลสถูกข่ายคืออนุัสกิเลสปกคลุมไว้ประกอบด้วยนิวรห้าพรีพร้อมด้วยวิตกถูกรากเงาแห่งพบคือตันหารัดรึงถูกเครื่องปิดบังคือโมหะปิดบังไว้ ร่างกายนี้ถูกเครื่องหมุนคือกรรมให้หมุนไปจึงหมุนไปอย่างนี้สมบัติที่มีอยู่ในร่างกายนี้มีวิปัติเป็นที่สุดย่อมมีความพลัดพรากกันเป็นธรรมดาเราปุตุชนผู้โงเ่เขลาซึ่งยึดถือร่างกายนี้ว่าเป็นของเราย่อมทำสังสารวัตที่น่ากลัวให้เจริญทั้งยึดพบใหม่ไว้เราคุณบุตรผู้เป็นบัณฑิตซึ่งละร่างกายที่น่ารังเกียจนี้ คลายอาวิชชาและภวะตันหาซึ่งเป็นรากเงาแห่งพบได้แล้วจากปรินิพานอย่างไม่มีอาสะวะเหมือนคนที่ต้องการความสุขอยากมีชีวิตอยู่เห็นอสรพิษตัวเปื้อนคูดแล้วก็หลีกหนีไปฉะนั้น 6. วังคันตบุตรอุปเสนะเทระคาถาภาสิทธิของพระวังคันตบุตรอุปเสนะเทระ ระวังคันตบุตรอุปเสนะเทระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าภิกษุพึงอยู่เสนาสนะอันสงัดปราศจากเสียงอื้ออึงที่สัตว์ร้ายอาศัยอยู่เพราะการหลีกเร้นเป็นเหตุพึงเก็บผ้าจากกองขยะจากป่าช้าและตรอกน้อยตรอกใหญ่นั้นทำเป็นผ้านุ่งผ้าหม่มแล้วใช้จีวรที่เศร้ามองภิกษุพึงคุ้มครองทวารสำรวมระวังทาใจให้ครบเอื้อเฟื้อแล้ว เชี่ยวบินตาตามลำดับสกุลตามลำดับตรพึงยินดีด้วยของตามที่ได้ถึงจะเป็นของเศร้ามองและไม่ควรปรารถนารถอย่างอื่นจกรสตามที่ได้มาให้มากสำหรับผู้ที่ยังติดในรสใจย่อมไม่ยินดีในฌานภิกษุพึงเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยสันโดษชอบสงัดเป็นมุนีและไม่อยู่คลุกคลีด้วยคฤหัสถและบรรบชิตทั้งสอง ภิกษุผู้เป็นบัณฑิตควรแสดงตนให้เป็นเหมือนคนโง่และคนใบ้ไม่ควรพูดมากในถ้ำกลางสงฆ์ท่านไม่พึงว่าร้ายใครพึงเว้นการกระทบกระทั่งควรสำรวมในพระปฏติโมกและรู้จักประมาณในการขบฉันเป็นผู้ฉลาดในการเกิดขึ้นแห่งจิตที่กำหนดนิมิตรไว้ดีแล้วประกอบสมถะและวิปัสสนาตามการอันสมควรหนึ่งภิกษุผู้เป็นบัณฑิต พึงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความเพียรเป็นนิดประกอบภาวนาทุกเมื่อหากยังไม่ถึงที่สุดทุกไม่พึงถึงความวางใจอาสวะทั้งปวงของภิกษุผู้ปรารถนาความบริสุทธิ์เป็นอยู่อย่างนี้ย่อมสิ้นไปและท่านก็ย่อมบรรลุนิพพาน 7. โคตมะเทระคาถาภาษิตของพ ร, โโรพระโคดมเทระพระโคดมเถระได้กล่าวคถาเหล่านี้ว่า บุคคลพึ่งรู้จักประโยชน์ของตนหนึ่งพงตรวจดูปาพศหนึ่งพงตรวจตราสิ่งที่สมควรในศาสนานี้ของกุลบุตรผู้เข้าถึงความเป็นสมณะหนึ่งมิตรดีหนึ่งการสมทานศสกขาให้บริบูรณ์หนึ่งการเชื่อฟังครูทั้งหลายหนึ่งนี้เป็นการสมควรแก่สมณะในศาสนานี้ความเคารพในพระพุทธเจ้าหนึ่งความนอบน้อมในพระธรรมตามความเป็นจริงหนึ่ง การทำความยำเกรงในพระสงฆ์หนึ่งนี้เป็นการสมควรแก่สมณะภิกษุผู้ประกอบในอาจาระและโคจรหนึ่งผู้ชำระอาชีพให้บริสุทธิ์ซึ่งท่านผู้รู้ไม่ตำหนิติเตียนหนึ่งการตั้งจิตไว้ชอบหนึ่งนี้เป็นการสมควรแก่สมณะจาริตศีลหนึ่งวาริตศีลหนึ่งกา ร, รประเปลี่ยนอิริยาบถ ท, ที่น่าเลื่อมใสหนึ่ง การประกอบเนืองในอธิจิตหนึ่งนี้เป็นการสมควรแก่สมณะเซนาสนะป่าหนึ่งที่สงัหนึ่งที่เงียบหนึ่งที่มุนีอยู่อาศัยหนึ่งนี้เป็นการสมควรแก่สมณะจตุปาริสุทธิสีนึงพาหุสัจจะหนึ่งการพิจารณาค้นคว้าธรรมตามความเป็นจริงหนึ่งการรู้แจ้งอริยสัจหนึ่ง นี้เป็นการสมควรแก่สมณนะข้อที่บุคคลพึงเจริญอนิจจสัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงหนึ่งเจริญอนัตตสัญญาว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาหนึ่งเจริญอสุภาษสัญญาหนึ่งเจริญอนัภิรติสัญญาในโลกหนึ่งนี้เป็นการสมควรแก่สมณนะข้อที่บุคคลพึงเจริญพ่อชงหนึ่งอิทิบาทหนึ่งอินทรีหนึ่ง พระละหนึ่งอริยตทั้งคิกมักหนึ่งนี้เป็นการสมควรแก่สมณนะพระมุนีพึงละตันหาหนึ่งทำลายอาสวะพร้อมทั้งรากเง่าหนึง่งพึงอยู่อย่างผู้มีจิตหลุดพ้นหนึ่งนี้เป็นการสมควรแก่สมณนะทัศกานิบาศจบรวมเรื่องพระเทระที่มีในนิบาตนี้คือหนึ่งพระกาลุทายีเถระ 2. พระเอกวิหาริยเถระ 3. พระมหากัปปินะเถระ 4. พระจุลปันธกะเถระ 5. พระกัปปะเถระ 6. พระวังคันตะปุตะอุปเสนเถระ 7. พระโคตมะเถระในทศกนิบาทนี้มีพระเถระเจรูปนี้และมี70คาถาชั้นนี้แล เอกาทศกานิบาตหนึ่งสังกิจเเทระคาถาภาษิตของพระสังกิจเเทระอุบาสกคนหนึ่งต้องการบำรุงสังกิจจะสั ม, มนเนนจึงนิมนต์สั ม, มนเนนให้อยู่ที่ใกล้ด้วยคาถาว่าพ่อสั ม, มนเนนป่าจะมีประโยชน์อะไรสำหรับท่านในฤดูฝนภูเขาชื่ออุชุหานะนั่นเองไม่เป็นที่สบาย ลมหัวด้วนก็พัดมาประจำท่านจะพึงพอใจหรือเพราะความสังัดเป็นที่ต้องการของผู้เจริญฌานพระสังกิจเจเทระได้กล่าวคถาเหล่านี้ว่าในฤดูฝนลมหัวด้วนย่อมพัดพาเมฆหมอกไปได้ฉันใดสัญญาที่ประกอบด้วยวิเวกก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมดึงจิตของอาตมาไปสู่ที่วิเวก กายกตาสติกรรมฐานที่ประกอบด้วยความคลายกำหนัดในร่างกายเกิดขึ้นแกอัตมาทันทีเหมือนกาดำเกิดจากฟองไข่ที่อาศัยอยู่ในป่าช้าภิกษุผู้ไม่มีคนอื่นคอยดูแลรักษาและไม่คอยดูแลรักษาคนอื่นนั้นแลไม่มีความเยื่อใยในกรรมทั้งหลายย่อมอยู่เป็นสุขผู้เขาศิลาอันกว้างใหญ่ไพศาลมีน้ำไหลใสสะอาด มีฝูงข้างและฝูงเนื้อฟานคลาคล่ำดาระดาไปด้วยน้ำและสาหร่ายเหล่านั้นย่อมทำให้อัตมารื่นรมย์ใจยิ่งนักในเสนาสนะที่สังหดคือป่าซอกเขาและถ้ำที่สัตว์ร้ายอาศัยอยู่อัตมาเคยอยู่มาแล้วอัตมาไม่เคยด âm ริถึงสิ่งที่ไม่ดีประกอบด้วยโทษเลยว่าขอสัตว์เหล่านี้จงถูกเบียดเบียนจงถูกฆ่าจงประสบทุกข์ อาตมาได้ปรนิบัติพระศาสดาได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปรงภาระที่หนักเสียได้ถอนตัญหาที่นาไปสู่พบได้ขาดแล้วอาตมาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นอันเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวงอาตมาก็ได้บรรลุแล้วอาตมาไม่อยากตายไม่อยากเป็นอยู่แต่อาตมารอคอยเวลาอยู่ เหมือนลูกจ้างทำการงานคอยค่าจ้างอาตมาไม่อยากตายไม่อยากเป็นอยู่แต่อาตมามีสติสัมปชัญญะอยู่เฉพาะหน้าคอยเวลาอันควรเอกาทะสกานิบาตจบรวมเรื่องพระเทระที่มีในนิบาทนี้คือรวมพระสังกิจจเทระผู้ทำรรกิจเสร็จแล้วไม่มีอาสวะรูปเดียวเท่านั้น และในเอกาทสกานิบาทมี11อคาถาชนนี้แหล 12. ิทวาทสกานิบาทหนึ่งีล ะ, ะเทระคาถาภาสิตของพระศีล ะ, ะเทระพระศีล ะ, ะเทระแสดงธรรมด้วยคาถาเหล่านี้ว่ากุลบุตรในสัตว์โลกนี้ผู้ใครประโยชน์พึงศึกษาศีลนั่นแหละให้เป็นอันศึกษาดีแล้วในโลกนี้ เพราะศีลที่รักษาแล้วย่อมนาสมบัติทุกประเภทมาให้ได้ผู้มีปัญญาเมื่อปรารถนาความสุขสามอย่างคือการสรรเสริญหนึ่งการได้ความปลื้มใจหนึ่งการตายไปแล้วบันเทิงในสวรรค์หนึ่งควรรักษาศีลเพราะผู้มีศีลมีความสํารวมย่อมได้มิตรมากส่วนผู้ทุศีลประพฤติแต่ความชั่วย่อมแตกจากมิตร นรชนผู้ทุศีลย่อมได้รับการตาหนิและติเตียนนรชนผู้มีศีลย่อมได้รับความยกย่องชมเชยและสรรเสริญทุกเมื่อศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อกเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นพึงชำระศีนให้บริสุทธิ์สังวรศีนเป็นเครื่องกั้นทุจริตทาจิตให้ร่าเริง และเป็นท่าสําหรับย่างลงมหาสมุทรคือ น, นิพานของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เพราะฉะนั้นควรชําระศีลให้บริสุทธิ์ศีลเป็นกําลังหาสิ่งเปรปานมิได้เป็นอาวุธชั้นเยี่ยมเป็นอาพร อ, อันประเสริฐเป็นเกราะบางอย่างน่าอัศจรรย์ศีลเป็นสะพานอันมีพลังมากมีกลิ่นหอมอย่างยิ่งเป็นเครื่องรูปลายอย่างประเสริฐซึ่งเป็นเหตุให้ผู้มีศีลมีชื่อเสียงระเบิดไปทั่วทุกทิศ ศีลเป็นกำลังที่ดีเลิศเป็นสเสบียงเดินทางชั้นเยี่ยมเป็นยานพาหนะชั้นประเสริฐซึ่งเป็นเหตุให้ผู้มีศีลไปได้ทั่วทุกทิศคนพานมีใจไม่ตั้งมั่นในศีลย่อมได้รับการติฉินนินทานในโลกนี้และตายไปแล้วย่อมได้รับทุกโทมนัสในอบัยภูมิย่อมได้รับทุกโทมนัส ใ, ในที่ทั่วไปที่รชนตั้งมั่นดีในศีลย่อมได้รับชื่อเสียงในโลกนี้ และตายไปแล้วย่อมได้รับสุขโสมนัสในสวรรค์ย่อมได้รับสุขโสมนัสในที่ทั่วไปศีลเท่านั้นเป็นเลิศในโลกนี้ส่วนผู้มีปัญญาเป็นผู้สูงสุดทั้งในหมู่มนุษย์และหมู่เทวดาชัยชนะก็เพราะศีลและปัญญา 2. สุนีตะเทระคถาภาษิตของพระสุนีตะเทระ พระสุนีตะเทระได้บรรเลอสีหนาด้วยคถ า, าเหล่านี้ว่าเราเกิดมาในสกุลต่ำซ้ำขัดสนมีของกินน้อยมีการงานต่ำได้เป็นคนเก็บดอกไม้ที่เหี่ยวแห้งไปทิ้งเราถูกคนทั้งหลายเกลียดชังดูหมิ่นข่มขู่ได้ถ่อมตนว่ายูชนเป็นอันมากต่อมาเราได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีความเพียรมากซึ่งมีภิกษุสงแวดล้อม กำลังเสด็จเข้าไปยังพระนคร อ, อันอุดมของชาวมคตจึงวางหาบลงแล้วเข้าไปถวายบังคมพระองค์ซึ่งเป็นบุคคลผู้สูงสุดได้ประทับยืนอยู่เพื่ออนุเคราะห์เราครั้งนั้นเราได้ถวายบังคมพระยุคลบาทพระาศาสดาแล้วยืนอยู่ณที่สมควรจึงได้ทูลขอบรรพชากับพระองค์ผู้สูงสุดกว่าสพรพสัดลำดับนั้นพระาศาสดาผู้ทรงมีพระกรุณา อนุเคราะห์สัตว์โลกทั้งมวลได้ตรัสกับเราว่าเธอเป็นภิกษุมาเถิดพระวาจานั้นได้เป็นการอุปสมบทของเราเรานั้นอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวไม่เกียดคร้านได้ทำตามพระโอวาทพระาศาสดาผู้ชนะมารทรงสั่งสอนเรามาในราตรีปฐมยามเรารลึกชาติก่อนได้ในมนชิมยามได้ชำระทิพยจักสุให้สะอาดแล้ว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 ท่้นจินอาสวะแล้วเป็นผู้ควรแก่ทักษิณาลำดับนั้นพระาศาสดาได้ทรงเห็นซึ่งหมู่เทวดาแวดล้อมอยู่จึงทรงแย้มแล้วได้ตรัสเนื้อความนี้ว่าบุคคลชื่อว่าเป็นพราหม์เพราะคุณธรรมนี้คือตบะพรหมจันทร์ความสำรวมและความฝึกฝนตบะเป็นต้นนี้จัดเป็นพราหมณ์ชั้นสูงสุดทวาทศกนิบาต รวมเรื่องพระเทระที่มีในนิบาตนี้สองรูปคือพระเทระสองรูปนี้มีฤทธิ์มากคือ 1. พระศีละวะเทระ 2. พระสุนิตะเทระในทวาทศกนิบาตมี24ขาิคาถาฉ น, น้แล สิบเตรสศ ก, กนิบาตหนึ่งโซนโกลิวิสะเถระคาถาภาษิตของพระโสนโกลิวิสะเถระพระโสนโกลิวิสะเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าผู้ใดเป็นขบดีที่ยิ่งใหญ่สมความปรารถนาในรัฐของพระเจ้าอังคะวันนี้ผู้นั้นชื่อว่าโสนะเป็นผู้เยี่ยมที่สุดในธรรมทั้งหลายได้ถึงที่สุดทุกภิกษุ พึงตัดสังโยชน์เบื้องต่ำหพึงละสังโยชน์เบื้องสูงหและพึงเจริญอินทรีย์ห้าให้ยิ่งภิกสุผู้ล่วงทรรมเป็นเครื่องคล้องได้ทั้งหท่านเรียกว่าข้ามโอคะได้แล้วสำหรับภิกสุผู้ประมาทมีใจพองเหมือนต้นอ้อยังมีความยินดีในอายตนะภายนอกศีล ส, สมาธิและปัญญาย่อมไม่บริบูรณ์ภิษุเหล่านี้ละทิ้งกิจที่ควรทำ มาทำกิจที่ไม่ควรทำอาสะวะทั้งหลายของพวกเธอผู้ประมาทมีใจพองเหมือนต้นอ้อย่อมเจริญส่วนภิกษุเหล่าใดปรารบกายยกคตาสติด้วยดีเป็นนิดภิกษุเหล่านั้นมักกระทำกิจที่ควรทำเป็นนิดไม่ทำกิจที่ไม่ควรทำอาสะวะของพวกเธอผู้มีสติสัมปชัญญะย่อมถึงความสิ้นไปเมื่อพระาศาสดาตรัสบอกทางตรงไว้แล้ว เธอทั้งหลายจงดำเนินไปเถิดอย่าหยุดเสียกุลบุตรผู้หวังประโยชน์เมื่อเตือนตนด้วยตนเองพึงน้อมตนเข้าถึงนิพพานได้เมื่อเราบำเพ็ญเพียรอย่างหนักพระาศาสดาซึ่งมีพระจักสุยอดเยี่ยมในโลกได้ทรงแสดงธรรมอุปมาด้วยสายพินสอนเราเราฟังพระดำรัสของพระองค์แล้วยินดีอยู่ในคาสอนทำสมถะให้ถึงพร้อมเพื่อบรรลุประโยชน์สูงสุด เราบรรลุวิชาสามได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราผู้น้อมไปในเนียคัมมะและความสงัดใจน้อมไปในความไม่เบียดเบียนหมดความยึดมั่นถือมั่นน้อมไปในความสิ้นตันหาและความไม่หลงแห่งใจเพราะเห็นความเกิดขึ้นแห่งอายตนะจิตจึงหลุดพ้นได้โดยชอบภิกษุผู้มีจิตสงบระงับหลุดพ้นโดยชอบทากิจเสร็จแล้วนั้น ย่อมไม่มีการสั่งสมทั้งไม่มีกิจเอื่นที่จะต้องทำผู้เขาหินแท่งทึบย่อมไม่สะเทือนเพราะลมชันใดรูปเสียงกลิ่นรสโภภพธะะและธรรมรมทั้งมวลทั้งที่เป็นอิทธารมและอนิทธารมทำจิตของผู้คงที่ให้วันวหวไม่ได้ชันนั้นจิตของผู้คงที่นั้นเป็นจิตตั้งมั่นไม่วนวัยไม่เกาะเกี่ยวด้วยอารมณ์อะไรเพราะผู้คงที่นั้น ได้เห็นความเสื่อมไปแห่งอารมณ์นั้นแล้วเตรส ก, กานิบาทจบรวมเรื่องพระเถระที่มีในนิบาทนี้คือ 1. พระโสนโกลิวิสะเถระผู้มีฤทธิ์มากรูปเดียวเท่านั้นและในเตรส ก, กานิบาทนี้มี13กสาคถาชั้นนี้แล14จุทธศ ก, กานิบาทหนึ่ง คัิรวนิยเรยวตะเถระคาถาภาษิกของพระคัิระวนิยเรยวตะเถระพระคัิระวนิยเรยวตะเถระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่านับแต่อัตมาออกบวชเป็นบรรพชิตไม่เคยดมฤทิ ถ, ถึงสิ่งที่ไม่ดีประกอบด้วยโทษเลยว่าขอสัตว์เหล่านี้จงถูกเบียดเบียนจงถูกฆ่าจงประสบทุกข์ อาตมาไม่เคยดำริในระยะการยาวนานเช่นนี้แต่รู้เฉพาะการเจริญเมตตาไม่มีประมาณจึงได้อบรมสั่งสอนมาโดยลำดับตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วเป็นมิตรเป็นสหายกับสัตว์ทุกจาพวกอนุเคราะห์สัตว์ทุกจำพว ก, ก, พวกยินดีในการไม่เบียดเบียนเจริญเมตตาจิตทุกเมือ่อและทำจิต ท, ที่ไม่ง่อนแง่นไม่ขุนเคืองให้บันเทิงจเจริญพรหมวิหาร ที่คนเลวซ่องเสฟไม่ได้สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าทุติยฌานที่ไม่มีวิตกเป็นผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้นิ่งอย่างประเสริฐโดยแท้จริงผู้เขาศิลาล้วนตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแม้ชั้นใดภิกษุก็ชั้นนั้นเพราะสิ้นโมหะย่อมไม่หวั่นไหวดุจภูเขาชั้นนั้นคนผู้ไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวนใฝ่ใจสแสวงหาความสะอาดอยู่เป็นนิด ความชั่วเพียงเท่าปลายขนทรายย่อมปรากฏดังเท่าก้อนเมฆเมืองชายแดนได้รับการคุ้มครองทั้งภายในและภายนอกฉันใดท่านทั้งหลายโปรดคุ้มครองตนให้ได้ฉันนั้นขณะอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสียอาตมาไม่อยากตายไม่อยากเป็นอยู่แต่อาตมารอคอยเวลาอยู่เหมือนลูกจ้างทาการงานคอยค่าจ้าง อาตมาไม่อยากตายไม่อยากเป็นอยู่แต่อาตมามีสติสัมปชัญญะอยู่เฉพาะหน้าคอยเวลาอันสมควรอาตมาปรนิบัติพระศาสดาได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปลงภาระที่หนักเสียได้ถอนตันหาที่นำไปสู่ภพได้ขาดแล้วอาตมาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพื่อประโยชน์ใดประโยชนนั้นอันเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยชน์ทั้งปวง อาตมาก็ได้บรรลุแล้วหน้าที่ที่ควรทำให้ถึงพร้อมมีทานและศีลเป็นต้นท่านทั้งหลายโปรดทำให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดนี้เป็นคำสั่งสอนของอาตมาอาตมาหลุดพ้นจากกิเลสและพบได้ทั้งหมดแล้วจากปรินิพานละ 2. โคตะตะเทระคาถาภาษิตของพระโคตะตะเทระ พระโคทตะเทระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ว่าโคอาชาในดีถูกเทียมด้วยแอกเวนสามารถนําแอกเวียนไปได้ถูกภาระหนักเปียดเบียนก็ไม่ยอมสลัดแอกเวนที่เทียมไว้ฉันใดเ่าชนที่บริบูรณ์ด้วยปัญญาเหมือนมหาสมทุทรที่เต็มเปี่ยมด้วยน้ําย่อมไม่ดูหมิ่นชนอื่นๆชั้นนั้นข้อนี้เป็นดังอริยธรรมของคนทั้งหลาย นรชนคนหนุ่มทั้งหลายที่ตกอยู่ในอำนาจของการเวลาไปตามอำนาจของความเจริญและความเสื่อมย่อมประสบทุกขและย่อมเศร้าโศกเราปุตุชนที่ยั ง, งโง่เขลามักไม่เห็นตามความเป็นจริงพอมีสุขเป็นเหตุก็ฟูขึ้นพอมีทุกข์เป็นเหตุก็ฟุบลงจึงเดือดร้อนเพราะเหตุสองประการนี้ส่วนอริยชนทั้งหลายที่ล่วงตัญหาเป็นเหตุผัวพันในทุกขเวทนาสุขเวทนา และทุกคมสุขเวทนาตั้งมั่นไม่วันวัยดุดเสาเขื่อนไม่ฟูขึ้นหรือฟุบลงย่อมไม่ติดในลาบเสื่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสรนเสริญสุขและทุกเลยท่านเหล่านั้นไม่ติดในโลกธรรม ท, ทุกประเภทเหมือนหยาดนะ้ําไม่ติดบนใบบัวทีรชนทั้งหลายประสบสุขไม่พ่ายแพ้ในที่ทุกแห่งการไม่ได้ลาบโดยธรรม กับการได้ลาบโดยไม่ชอบทำสองอย่างนี้การไม่ได้ลาบแต่ชอบทำประเสริฐกว่าการได้ลาบโดยไม่ชอบทำไม่ประเสริฐเลยผู้ไม่มีความรู้มียศกับผู้มีความรู้แต่ไม่มียศสองจาพวกนี้ผู้มีความรู้แต่ไม่มียศประเสริฐกว่าผู้ไม่มีความรู้มียศไม่ประเสริฐเลยการที่คนพานสรรเสริญกับการที่บัณฑิตติเตียน สองอย่างนี้การที่บัณฑิตติเตียนนั่นแหละประเสริฐกว่าการที่คนพานสันเสริญไม่ประเสริฐเลยความสุขที่เกิดเพราะอาศัยกรรมคุณกับความทุกข์ที่เกิดแต่ความสังัดสองอย่างนี้ความทุกข์ที่เกิดแต่ความสังัดประเสริฐกว่าความสุขที่เกิดเพราะอาศัยกรรมคุณไม่ประเสริฐเลยความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมกับความตายโดยชอบธรรมสองอย่างนี้ ความตายโดยชอบธรรมประเสรฐกว่าความเป็นอยู่โดยไม่ชอบธรรมไม่ประเสริฐเลยท่านเหล่าใดละความยินดียินร้ายได้มีจิตสงบเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ไม่ติดอยู่ในโลกท่านเหล่านั้นไม่มีความรักหรือความชังเจริญโพชงเจ็อินรียห้าและพระห้าบรรลุความสงบอย่างยิ่งไม่มีอาสวะย่อมปรินิพาน จุดทศกนิบาทจบรวมเรื่องพระเทระที่มีในนิบาทนี้คือพระเทระสองรูปนี้มีฤทธิ์มากคือ 1. พระคติระวณิยะเรวตะเทระ 2. พระโคทะตะเทระในจุดทศกนิบาทนี้มี28คาถาฉ น, นี้แหล 15. โซลสกานิบาตหนึ่งัญญาสิโกลทัญญาเทระคาถาภาษิตของพระอัญญากลทัญญาเทระท้าส ก, กะเทวราชตรัสภาสิตที่หนึ่งว่าข้าพเจ้านี้สดับธรรมซึ่งมีอัทรรถมากจึงเลื่อมใสอย่างยิ่งธรรมที่ใครกำหนดพอใจเพราะไม่ยึดมั่นโดยสิ้นเชิงพระคุณท่านแสดงไว้แล้ว พระอัญญากลธัญญาเทระได้กล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าอารมณ์ที่วิจิตในโลกมากมายเห็นจะย่ำยีคนที่ยังมีความดำริถึงอารมณ์ว่างามซึ่งประกอบด้วยราคะในพื้นปัตพีนี้เมื่อฝนหาใหญ่ตกลงมาช่วยระ ง, งับฝุ่นทุลีที่ลมพัดให้ฟุ้งขึ้นได้ฉันใดเมื่อใดพระอริยสาวกพิจารณาเห็นด้วยปัญญาเมื่อนั้น ความดําริผิดย่อมระงับไปได้ฉันนั้นเมื่อใดพระอริยสาวกพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมหนายในทุกข์นั่นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์เมื่อใดพระอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นย่อมหนายในทุกนั่นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์ เมื่อใดพระอรียสาวกย่อมพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกข์นั่นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์อัญญากณทัญญเถระผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าได้มีความบากบันอย่างแรงกล้าและความเกิดและความตายได้บำเพ็ญมัคคพรมจรั์อย่างบริบูรณ์สิ้นเชิงตัดบวงคือโอคะตะปูตรึงใจอย่างมั่นคง และทำลายภูเขาที่ทำลายได้ยากแล้วข้ามไปถึงฝั่งคืนนิพพานมีปกติเข้าฌานพ้นจากเครื่องผูกคือกิเลสมาได้แล้วภิกษุที่ยังมีจิตฟุ้งซ่านกลับกลอกคบหาแต่มิชั่วถูกคลื่นคือความผูกโกรธซัดไปจมในห้วงน้ำใหญ่คือสงสารส่วนภิษุที่มีจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่กลับกลอกมีปัญญารักษาตนสารวมอินทรีย์ คบหาแต่มิตร ด, ดีเป็นนักปราดพึงทำความสิ้นทุกได้นรชนผู้รู้ประมาณในข้าวและน้ำย่อมสู้ผอมมีตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นคลา้ายเถาหญ้านางแต่มีใจไม่ย่อท้อถูกฝูงเหลือบและยุงกัดในป่าใหญ่พึงเป็นผู้มีสติอดกลั่นในอันตรายนั้นเหมือนช้างในสงครามอาตมาไม่อยากตายไม่อยากเป็นอยู่แต่รอคอยเวลาอยู่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 ประโยชน์นั้นอาตมาได้บรรลุแล้วจะมีประโยชน์อะไรด้วยสัตวิหาริกผู้ว่ายากสำหรับอาตมา 2. อุทายีเถระคาถาภาษิตของพระอุทายีเถระพระอุทายีเถระเมื่อจะชมเชยพระศาสดาเดียกกล่าวภาษิตเหล่านี้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงบังเกิดในหมู่มนุษย์ฝึกฝนพระองค์แล้ว มีพระหรไทัยตั้งมั่นทรงดำเนินไปในทางที่ประเสริฐทรงยินดีในธรรมเป็นที่สงบระ ง, งับจิตทรงถึงความสำเร็จแห่งธรรมทั้งปวงพระองค์ใดที่มนุษย์ทั้งหลายนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแม้เทวดาทั้งหลายก็นอบน้อมข้าพเจ้าฟังมาแต่พระอรหันต์ทั้งหลายดังว่ามานี้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใด ผู้ทรงล่วงสังโยชน์ทั้งโปวงสเสด็จออกจากป่ามาสู่นิพพานสเสด็จออกจากกามมายินดีในเนคข ม, มะเหมือนทองคำที่พ้นจากหินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแลเป็นดุจช่างตัวประเรสริฐทรงรุ่งเรืองล่วงโลกพร้อมทั้งเทวโลกดุจภูเขาหิมมะวันเนื้อภูเขาสิลาเหล่าอื่นทรงมีพระนามว่านาคโดยแท้จริงทรงยอดเยี่ยมกว่าผู้ที่มีนามว่านาคทั้งหมด เราจะแสดงผู้ที่ได้นามว่านาคโดยแท้จริงนั้นแก่พวกท่านเพราะผู้ที่ไม่ทำชั่วทุกอย่างชื่อว่านาคความสงบส ง, งยมและความไม่เบียดเบียนทั้งสองนั้นเป็นเท้าหน้าของผู้ที่ได้นามว่าช้างสติและสมปัญญะทั้งสองนั้นเป็นเท้าหลังของผู้ที่ได้นามว่าช้างผู้ที่ได้นามว่าพญาช้างมีศรัทธาเป็นงวงมีอุเบกขาเป็นงาขาว มีสติเป็นคอมีปัญญาเครื่องพิจารณาค้นคว้าธรรมเป็นเสียรมีธรรมคือสมถะและวิปัสสนาซึ่งเป็นที่รวมอยู่แห่งปัญญาเป็นท้องมีวิเวกเป็นหางพญาช้างคือพระพุทธเจ้านั้นทรงเข้าชานประจำทรงยินดีในนิพพานมีพระหฤทัยตั้งมั่นดีภายในเมื่อเสด็จพระราชดำเนินก็มีพระหฤทัยตั้งมั่น ประทับยืนก็มีพระหฤทัยตั้งมัน่นเมื่อบันทมก็มีพระหฤทัยตั้งมัน่นแม้ประทับนั่งก็มีพระหฤทัยตั้งมัน่นทรงสำรวมทุกอย่างนี้เป็นคุณสมบัติของพญาช้างคือพระพุทธเจ้าพญาช้างคือพระพุทธเจ้านั้นบริโภคสิ่งที่ไม่มีโทษไม่บริโภคสิ่งที่มีโทษได้อาหารและเครื่องนุ่งห่มแล้วงดการสังสมตัดสังโยชน์ ดิเลกเครื่องผูกพันน้อยใหญ่ทั้งหมดไม่มีความห่วงใยเลยไปได้ทุกทิศดอกบัวขาวมีกลิ่นหอมหวนชวนให้รื่นรมใจเกิดก็ในน้ำเติบโตก็ในน้ำแต่ไม่ติดอยู่กับน้ำแม้ชันใดพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติในโลกทั้งทรงอยู่ในโลกก็ไม่ทรงติดอยู่กับโลกเหมือนดอกบัวไม่ติดอยู่กับน้าชั้นนั้นเหมือนกันไฟกองใหญ่ที่ลุกโชน เมื่อหมดเชื้อก็ดับไปถึงเมื่อยังมีเท่าอยู่เขาก็เรียกว่าไฟดับอุปมาที่ให้รู้แจมแจ้งเนื้อความข้อนี้วินยูชนทั้งหลายแสดงไว้แล้วท่านผู้ที่มีนามว่ามหานาคทั้งหลายจะรู้แจ้งพญาช้างคือพระพุทธเจ้าอันเราผู้ได้นามว่านาคแสดงไว้แล้วพญาช้างคือพระพุทธเจ้าปราศจากราคะโทสะโมหะหมดอาสวะ เมื่อทรงละพระวรกายจะไม่มีอาสวะปรินิพานโซลสกาิบาตจบรวมเรื่องพระเถระที่มีในนิบาทนี้คือพระเทระสองรูปนี้มีฤทธิ์มากคือ 1. พระอัญญากนทัญญาเทระ 2. พระอุทายีเถระในโซลสกาิบาตนี้มี32ขคาถาชั้นนี้แหล